สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิยาพิบาล น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่สองร้อยแปดสิบแปดคำอธิษฐานของพระเยซูรครั้งที่หกสิบสามขอโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์พี่น้องครับเมื่อวานนี้ผมได้พูดถึงเหตุผลสี่ประการนะครับที่เราจะต้องยกโทษให้แก่กันและกันก่อนที่เราจะอธิษฐานขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์ เหตุผลประการแรกก็คือเป็นนิสัยของธรรมิกชนเป็นลักษณะหรือคุณสมบัติที่สําคัญของคริสเ ต, เตียนเราประการที่สองครับเราจะต้องยกโทษต่อกันและ ก, กันเพราะเหตุที่ว่านี่คือการกระทําตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์เหตุผลประการที่สามก็คือที่เราจะต้องยกโทษต่อกันและ ก, กันเพราะเป็นคุณธรรมสูงสุดของมนุษย์เป็นศักดิ์ศรีสูงสุด ที่เราทั้งหลายถูกสร้างขึ้นมาประการที่สี่เราจะต้องยกโทษต่อกันและกันเพราะว่ามันจะปลดปล่อยเราให้รอดพ้นจากการปรับโทษที่เราไม่ให้อภัยซึ่งเป็นความผิดบาปที่ยิ่งใหญ่มากเพราะฉะนั้นพี่น้องครับทั้งสี่ประการนี้เมื่อวานนี้ได้มีโอกาสให้พี่น้องได้มีโอกาสรับรู้เรียบร้อยไปแล้วนะครับผมขออนุญาตทบทวนเล็กน้อย สิ่งที่สําคัญยิ่งกว่าเหตุผลทั้งสี่ประการนี้ก็คือว่าถ้าเราไม่ยกโทษให้คนอื่นเราเองนั้นก็จะไม่ได้รับการยกโทษ ด, ด้วยเหมือนกันที่น้องครับโปรดฟังอีกครั้งนะครับถ้าเราไม่ยกโทษให้คนอื่นคําอธิษฐานที่เราอธิษฐานอยู่ว่าขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพงนั้นก็จะไม่เกิดผลครับก็จะไม่ได้รับการยกโทษ ด, ด้วยเช่นเดียวกันนี่เป็นเรื่องที่ หน้าใจหายนะครับและหลายหลายคนนั้นไม่เข้าใจพระคุมภีมัทธิวบทที่หกข้อสิบสี่สิบห้าพี่น้องครับมัทธิวบทที่หกข้อสิบสี่สิบห้านั้นได้พูดถึงสิ่งที่เราจาเป็นจะต้องทำก่อนนั่นก็คือการยกโทษให้คนอื่นปัญหาของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องชีวิตต่างๆนะครับรากเง้าของปัญหานั้นเกิดจากความบาปทั้งสิ้นมันมาจากความบาป สิ้นออริจินของมันก็คือความบาปครับและสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานให้กับเราทั้งหลายทุกคนที่มีความศรัทธาเชื่อในพระองค์นั้นก็คือการยกโทษให้อภัยบาปนะครับแต่ก่อนการยกโทษให้อภัยบาปนั้นเราจะต้องมีท่าทีของการกลับใจใหม่และแสดงออกมานะครับก็คือการสารภาพบาปมีความรู้สึกเกลียดชังความบาปมีความรู้สึกว่าความบาปนั้น เป็นเรื่องที่น่าอับอายเป็นเรื่องที่น่าขมขื่นใจและไปถึงสุดท้ายก็คือสิ่งที่เราจำเป็นต้องทาก่อนที่เราจะสารภาพบาปก่อนที่เราจะได้รับการยกโทษก่อนที่เราจะจัดการกับปัญหาต้นต่อความบาปนั้นสิ่งที่จาเป็นต้องทำก่อนคือการให้อภัยคนอื่นครับคือการยกโทษคนอื่น ประเด็นที่สําคัญหรือแนวความคิดอันนี้ก็คือก่อนที่เราจะทูลขอการยกบาปเราต้องสํารวจตัวเองก่อนครับว่าเราเองนั้นพร้อมที่รับการยกบาปหรือเปล่านะครับซึ่งประเด็นต้นต่อก็คือว่าเราให้อภัยคนอื่นหรือเปล่าเรากับใจจริงๆหรือเปล่าเรามีท่าทีแห่งการสารภาพบาปจริงๆหรือเปล่าพี่น้องครับจากบาปที่เราได้ทาต่อพระเจ้าของเราเองนะครับ เราจะต้องยกโทษผู้ที่ทำผิดต่อเราก่อนก่อนที่เราจะทูลขอการยกโทษบาปที่เราทำกับพระเจ้านี่คือสาระสําคัญครับความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้านั้นจะเป็นไปอย่างถูกต้องไม่ได้ครับจนกว่าเราจะมีความสัมพันธ์กับคนอื่นๆอย่างถูกต้องเสียก่อนพี่น้องครับโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งเรื่องเรื่องสําคัญนะครับความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้านั้นจะเป็นไปอย่างถูกต้องไม่ได้ครับจนกว่าเราจะมีความสัมพันธ์อย่าง Next, ถูกต้องกับคนอื่นๆเสียก่อน พระเยซูตัดเรื่องนี้ชัดเจนครับในมัทธิวบทที่ห้าข้อยี่สิบสามยิบสี่ครับเหตุฉะนั้นถ้าท่านนําเครื่องบูชามาถึงแท่นบูชาแล้วรับเลิกขึ้นมาได้ว่าพี่น้องมีเหตุขัดเครื่องข้อหนึ่งข้อใดกับท่านจงวางเครื่องบูชาไว้ที่หน้าแท่นบูชากลับไปคืนดีกับพี่น้องผู้นั้นเสียก่อนแล้วจึงค่อยมาถวายบูชาของท่านเพียงครั บ, บหลายหลายครั้งทีเดียวเรารู้พระกัมภีร์ตอนนี้ครับเราเรียนมาตั้งแต่เด็กๆนะครับหรือเราอาจจะอ่านเองนะครับ พี่น้องผมอยากจะบอกว่าถ้าเรามีเหตุขัดเคืองกับใครจงวางแท่นบูชาไว้ที่หน้าแท่นบูชาเสียก่อนกลับไปคืนดีกับพี่น้องคนนั้นพี่น้องครับนี่คือพระประสงค์ของพระเจ้านี่คือน้ำัดไทยหลักของพระเจ้าเลยที่เราจะได้รับการยกโทษให้อภัยบาปหลายหลครั้งเรารู้ครับแต่เราทําไม่ได้หรือไม่ทำเพราะเหตุที่ว่าเรารักษาหน้าตัวเองการที่เราจะไปบอกกับใครคนใดคนหนึ่งว่า พี่ครับน้องครับผมขอโทษที่ผมทําอย่างนี้เรามักจะรักษาหน้าของเราเองเรามักจะรักษาภาพคดของเราเองเรามักจะทําให้เราดูดีครับพี่น้องครับก่อนที่เราจะเข้ามาชําระเท้าของเราในแต่ละวันก่อนที่เราจะนําความผิดบาปของเราและกล่าวกับพระเจ้าว่าพระองค์เจ้าข้าขอทรงชําระข้าพระองให้สะอาด ขอทรงใช้ข้าพระองค์เราจะต้องแน่ใจเสียก่อนว่าเราได้ยกโทษให้คนอื่นแล้วเราได้กลับไปคืนดีกับพี่น้องผู้นั้นแล้วนี่คือหลักธรรมหรือศัจธรรมที่สูงสุดอันหนึ่งของความเป็นเกิสเตียนครับก็คือเราได้รับการอาภัยโทษเราต้องยกโทษให้กับคนอื่นแต่ก่อนที่เราจะรับการอาภัยโทษนั้นพี่น้อง หลังจากที่เราเป็นคริครสเตียนแล้วก่อนที่เราจะรับการอภัยโทษแล้วเราต้องโยกโทษให้อภัยคนอื่นเสียก่อนครับเวลาเราไปโบสถทนะบท์ทุกวันนะครับอ่านพระคัมภีร์ทุกวันอ่านหนังสือคริสเตียนทุกวันไปร่วมการสมัมมนาเข้าเรียนพระคัมภีร์เรียนล้ววีวาแศึกษาเข้ากลุ่มแคร์ธามทุกอย่างรวมถึงการประกาศพกิติคุณด้วยแต่ถ้าหากว่าเรายังไม่ได้รับความปรับลื้มยินดีตามที่ควรจะรับแสดงว่าอะไรครับแสดงว่า ปัญหาอยู่ที่นี่เป็นได้ครับปัญหาอยู่ที่เรื่องนี้ก็เป็นได้เพราะอะไรครับเพราะเราอาจจะไม่ได้สารภาพความผิดบาปของเราเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากและในะเดียวกรันครับความชื่นชมดีไม่ได้ไหลเข้ามาในชีวิตของเราเพราะเพราะอะไรครับเพราะว่าเราเองนั้นยังมีความขมขื่นกับคนอื่นเราเองนั้นยังมียังไม่ได้รับการยกโทษเนื่องจากว่าเราไม่ได้ให้อภัยคนอื่นเราสูญเสียโอกาสที่รับใช้พระเจ้าในหลายๆเรื่อง เพราะเหตุที่ว่าเราเองนั้นมีความขมขื่นใจเรารู้สึกว่าชีวิตของเรานั้นไม่ได้เป็นไปอย่างที่ควรจะเป็นเราอาจจะมีความเบื่อหน่ายต่อความพยายามนะครับดิ้นรนนะเราอาจจะเบื่อหน่ายเพราะว่าเราต้องดิ้นรนเข้าไปถึงให้ไปให้ถึงมาตรฐานฝ่ายจิตวิญญาณเพราะอะไรครับเพราะว่าปัญหาความบาปครับปัญหาความบาปต้นต่อตัวนี้สําคัญมากเพราะปัญหาความบาปนั้นเราจะต้องรับการยกโทษ แต่ก่อนที่เราจะต้องรับการยกโทษนั้นเราต้องสารภาพมีท่าเทียง ก, กันกับใจใหม่และเราพิสูจน์ท่าเทียงกันกับใจใหม่โดยการเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าครับโดยการที่จําเป็นจะต้องยกโทษให้กับคนอื่นครับพี่น้องครับผมพูดซ้ําไปซ้ำมาหลายครั้งทีเดียวคําตอบง่ายนิดเดียวครับเพราะเหตุความบาปครับเรานั้นยังไม่ได้ให้อภัยคนอื่นเรามีบาปเราไม่ได้เชื่อฟังพระเยซูอย่างแท้จริงเราจึงไม่ได้รับการยกโทษให้อภัยบาป เ้าอาจจะกระทาสิ่งเหล่านั้นแล้วนะครับแต่เราก็ยังไม่มีความปรับลื้มใจไม่มีความชื่นชมยินดีเพราะเหตุที่ว่าเรายังไม่ได้กลับไปจัดการกับปัญหาหรือต้นต้นตอหรือรากเง่าของปัญหาทั้งหมดบางทีพระเจ้าไม่ทรงปลดปล่อยและประทานความปรับปลื้มยินดีตามที่เราแสวงหาก็เพราะเรายังไม่ได้ให้อภัยแก่ใครบางคนและยังเก็บความเจ็บช้ำหรือเจ็บปวดหรือความขมขื่นยังไม่ได้ให้อภัยแก่คนบางคน ถ้าเป็นเช่นที่ว่านี้นะครับพี่น้องครับเราทำให้จดิภาพฝ่ายวิญญาณของเรานั้นถูกคุก ค, คามแล้วครับนะโดยที่บางครั้งเราไม่รู้ตัวพี่น้องครับหากว่าเราเองนั้นมีความไม่ปราบปรืมใจเรามีความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างที่ไม่อยากลกับใช้พระเจ้าแม้ว่าเรานั้นพยายามอย่างยิ่งยวดแสดงว่าเรามีปัญหาครับปัญหารักเง่าของความบาป รักเง่าที่เรายังไม่ได้รับการปลดปล่อยพี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสอธิษฐานส่วนตัวครับเพื่อที่จะรับการปลดปล่อยจากพระเจ้าขอให้พระเจ้านั้นได้เอาปมบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในชีวิตของเราในอดีตนั้นออกไปเสียในการที่เราไม่ได้ให้อภัยคนอื่นการที่เราไม่มีความสุขไม่มีความชื่นชมินดีอย่างแท้จริงขอพระเจ้าช่วยพี่น้องที่รักทุกท่านรวมทั้งผมเองด้วยอาเมน